พรักพร้อมจะภาวนาเต็มที่เหมือ น, อนกันระหว่างขับรถฉันคุ้นคิดเกี่ยวกับสมาธิสี่ประเภทไปด้วยประเภทแรกเพื่อเสพสุขในฌานประเภทที่สองเพื่อยานัศนะโดยอธิษฐานกลางคืนเสมอกลางวันประเภทที่สามเพื่อสติสัมปะชัญญาโดยรู้ความเกิดดับของเวทนาสัญญาและความตรึกนึก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 ส่วนสมาธิประเภทที่สี่เวลานี้ยังไม่แน่ใจนักว่าในทางปฏิบัติเข้าใจหรือเข้าถึงลึกซึ้งเพียงใดหากดูเผิ์เผแล้วสมาธิประเภทที่สมนั้นใกล้เคียงกับสมาธิประเภทที่สี่มากต่างกันอย่างสำคัญคือในสมาธิประเภทที่สมนั้นมีการดูความตรึกนึกอยู่ด้วยความจริงอาการตรึกนึกก็เป็นส่วนหนึ่งในสังขารรั น, นั่นแหละ